52. อาอรหันตคาตะกะวัตถุว่าด้วยคนฆ่าพระอาหารหันต์บรรพชาห้ามคนฆ่าพระอาหารหันต์อุปสมบทข้อ 114. สมัยนั้นภิกษุจำนวนหลายรูปได้เดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสวัสดีระหว่างทางโจรยกพวกออกมาปล้นภิกษุบางพวกฆ่าภิกษุบางพวก เจ้าหน้าที่ยกกำลังจากกรุงสวัสดีไปจับโจรบางพวกได้บางพวกหลบหลีกไปพวกที่หนีไปได้บรรพชาในหมู่ภิกษุพวกที่ถูกจับกำลังถูกเจ้าหน้าที่นำไปฆ่าพวกโจรที่หนีไปบปรรพชาได้เห็นโจรเหล่านั้นกำลังถูกนาไปฆ่าก็กล่าวขึ้นว่าดีแล้วที่พวกเรานี้รอดมาได้ถ้าวันนั้นถูกจับก็จะต้องถูกฆ่าเช่นนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายถามว่า ท่านทั้งหลายก็พวกท่านได้ทำอะไรภิกษุเหล่านั้นได้บอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกนั้นที่ถูกฆ่าเป็นพระอารหาันต์ภิกษุทั้งหลายอนุปสมบันผู้ฆ่าพระอารหาันต์ไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วเพิงให้ศึกเสียวงเล็บเจ็ด